พนิมลพระอาจารย์สุติสาแสดงธรรมครับขอนอบน้อมพระราตนตัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอนอบน้อมคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขีย น, น ขอโอกาสพระอาจารย์ทรงศิลป์พระอาจารย์วัฒ น, นชัยแล้วก็เพื่อการทำพิทุท่านนะเจะริญพรไม่ขีและก็ยติธรรมทุกคนนะนั่งกันตามสบายนะนั่งจะทำความรู้สึกตัวไปด้วยก็ได้หรือจะนั่งฟังเฉยๆก็ได้นะว่านะนะแต่ให้เราแบบฟังสบายๆนะมันเหมือน เราเปิดใจนะร่างกายก็ผ่อนคลายจิตใจก็ผ่อนคลายนะถ้าเราจริงจังเกินไปนะมันเหมือนบางทีมันก็ทำให้เราเครียดนะออจะฟังแล้วก็คิดไปให้มันเข้าใจบรรลุธรรมขณะที่ฟังไปเลยนะเหมือนสมัยพุทธกาลนะบางทีมันก็มันจะเอาเกินไปนะ บางทีได้อ่านประวัติได้ฟังประวัติโอ้พระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมนะมีคนมารูธรรมเกือบหมดเลยนะนะแต่เราจะเอาบ้าง <c oughs> อย่าไปอย่าไปเครียดขนาดนั้นนะฟังเข้าใจนะก็เอานะไม่เข้าใจนะก็ให้รู้ว่าเรายังไม่เข้าใจนะอย่าไปคิดว่ามันจะต้อง ให้ได้ดีทันทีเนาะหรือแม้แต่เรามาปฏิบัติธรรมในคอสนี้นะอยู่ที่วัดช่วงที่อยู่ที่วัดนี้ก็ อ, อย่าไปตั้งเป้าประมาณว่าจะต้องเอาให้ได้จะต้องรู้ให้ได้บรรลุธรรมให้ได้เนะมันจะเป็นการเค้นตัวเองเกินไปนะแต่พิจนแต่ว่าอยากให้ตั้งใจว่าเออเมื่อเราได้มาแล้วให้เราได้ทำเต็มที่นะทำเต็มที่นะทำให้ดีที่สุด จะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยในที่นี้คือคือการที่เราเข้าใจความจริงนะได้ถึงระดับใดระดับหนึ่งอันนี้คือเหตุปัจจัยมันมันถึงจะถึงพร้อมเนาะเหมือนเราเป็นโรคนะบางทีเราไปหาหมอนะเราได้ยามาแล้วนะแต่โรคบางอย่างมันต้องรักษาแบบ ต่อเนื่องแล้วก็นานพอสมควรเช่นมื่อเราเป็นมะเร็งนะเปตรวจพบเป็นมะเร็งเนี่ยเราเวลาเราเจอว่าเราเป็นมะเร็งเป็นไงทุกเนาะอวิตกกังวลกลัวตาพัดยางนะอืมแล้วเราก็อยากจะหายความรู้สึกของทุกคนนะก็อยากจะหายอยากจะหายก็ดิ้นดลนหาการรักษาการรักษาก็มี ทั้งแผนปัจจุบันทั้งแผนทางเลือกนะเยอะมากคราวนี้ข้อมูลเราก็จะเยอะมากคนที่รู้ว่าเราเป็นมะเร็งก็จะหาให้ข้อมูลเราเยอะมากนะที่นั่นที่นี่ดีนะนะก็ไปหาหมอหายามารักษานะเดาเองก็เหมือนกันนะการภาวนาการปฏิบัติธรรมมันเหมือนคล้ายๆเราเป็นโรคนะที่ต้องรักษา โรคที่ต้องรักษาคืออะไรมันเป็นโรคเกี่ยวกับจิตใจมันมีความทุกข์เนอะรู้สึกเนาะแต่ถ้าใครไม่รู้สึกว่าจิตใจมีความทุกข์เนี่ยภาวนาเริ่มยากละมันเหมือนเริ่มต้นจากสูนยเลยนะแต่ถ้าใครเริ่มเห็นว่าจิตใจมันมีความทุกข์เนี่ยถือว่าเริ่มมีปัญญาแล้วนีมาเคยสอนบางที่นะบางคนก็มาเข้าคอสเนี่ยแหละ เพื่อนชวนมานั่นนี่หลายอย่างมาแล้วก็พอภาวนาแล้วมันก็เกิดความสงสัยหลายอย่างนะบางคนก็กล้าถามว่าเรามาภาวนาทำไมชีวิตมันก็ดูมีความสุขดีอยู่แล้วไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยนะก็จะมีคำถามแบบนี้นะในที่นี้มีหรือเปล่าเนาะเห็นทุกข์กันอยู่ไหมเราทำงาน เครียดเนี่ยคือความทุกข์แล้วใช่มอืมเวลาเราเจอสิ่งที่มันกระทบแล้วมันรู้สึกว่ามันมันไม่พอใจอะไรยนะเนี่ยนี่ก็คือความทุกข์ที่เห็นชัดเนาะหรือเวลาเราอยากจะได้อะไรเนี่ยเออมันก็เป็นทุกข์นะใช่ไหมอยากจะได้โทรศัพท์ใหม่เนี่ยก็เป็นทุกข์ไปเดินในห้างนะ เ, ออเจอเสื้อกันหนาวสวยๆนะ ก็เริ่มเป็นทุกข์ละเป็นทุกข์คืออะไรจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีเนี <c> ่ย <oughs> นี่คือความเป็นทุกข์ที่เห็นง่ายๆนะคือเราอยากจะได้สิ่งใดนะยังไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์หรือเจอกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์หรืออีกอย่างหนึง่งเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยก็คือความทุกข์นะเราก็หนีไม่พ้นพุทธศาสนาเนี่ย สอนเรื่องความทุกข์เรื่องแรกกันนะเราต้องเห็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นความทุกข์ในที่นี้โฟกัสเข้ามานีดนิดนึงนะเราไม่ต้องไปดูความทุกข์ทั้งโลกนะไม่ต้องไปดูเด็กอดอยากนะที่เอธิโอเปียไม่ต้องไปดูคนป่วยที่โรงพยาบาลก็ได้น ะ, ะแต่สิ่งที่เรามาดูคือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในกายในใจของเราเนี่ย โฟกัสเข้ามาแคบๆไปนะเหมือนเราทำวิจัยอ่ะพื้นที่ในการศึกษาพุทธศาสนาจริงคือคือกายกับใจของเรานะไม่ต้องไปโฟกัสทั้งโลกทั้งประเทศเลยนะเอาแค่กายแค่ใจของเราเนะีนะ่ยเนี่ยคือพื้นที่ที่มันเกิดความทุกข์นะเราก็เลยมาเรียนว่าความทุกข์เนี่ยนะมันเกิดจากอะไร เมื่อกี้ที่บอกว่าบางทีมันมันมีความทุกข์ของกายแล้วก็ความทุกข์ของใจเนาะทุกข์ของกายเนี่ยก็เก่งอย่างไรนะเป็นหมอเป็นอะไรก็ก็หนีไม่พ้นแ่ะนะนะทุกกายทุกคนก็ต้องเจอพระก็เจอนะนะพระก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันนะคนทุกคนสตัตว์ทุกสัตว์ก็เกิดแก่เจ็บตายอันนั้นหนีไม่พ้นไอ้ทุกทางกายเนี่ยนะนะ เรากำหนดรู้แล้วก็บรรเทารักษาไปตามอาการเนาะอย่างเราละหนาวเราใส่เสื้อผ้าเราห่มผ้าเนี่ยบาบัดความหนาวนะหนาวอีกก็ใส่อีกพอมันเริ่มร้อนก็ถอดออกเราบาบัดแบบเนี้ยนะไม่หายทันทีหรอกนะเหมือนเรากินข้าวนะกินตั้งแต่เกิดอ่านะอาจจะเริ่มกินนมก่อนเนาะอืมแต่ถึงวันนี้ก็ยังต้องกินเยอนะ เพราะกินแล้วมันก็ยังหิวเหมือนเดิมทุกทางกายเป็นแบบนั้นนะแต่ทุกทางใจเนี่ยนะบางทีอยากให้เราให้เข้าใจชัดว่าบางทีทุกทางใจมันไม่ใช่เพราะว่าเรายังมีไม่พอนะหลายคนจะคิดว่าเราเป็นทุกทางใจเนะี่ยบางทีเพราะว่าเราเรายังได้ในสิ่งที่เราต้องการยังไม่เพียงพอ เช่นได้ตำแหน่งยังไม่เพียงพอยังมีเงินไม่มากพอนะยังมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่พอลูกยังไม่ดีพอสามีภรรยายังไม่ดีพออะไรเนะี่ยพ่อแม่ทำไมนะไม่ดีกว่านี้อะไรเนะี่ยมันจะรู้สึกว่าหรือเราเองทำไมไม่ดีกว่านี้อะไรนะีมันจะรู้สึกว่ายังไม่พอนะไม่ว่าจะเป็นข้างนอกหรือข้างในนะ แต่ที่จริงนะข้างนอกเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะโยมรนะวยขนาดไหนก็ไม่พอหรอกนะมีอำนาจขนาดไหนก็ไม่พอเอาง่ายๆเหมือนเราได้โทรศัพท์ใหม่มาสักอันนะตอนแรกมันก็ดีใจนะแต่สักพักมันก็จะเริ่มเฉยละพอมาเริ่มตกรุ่นก็จะเริ่มไม่ค่อยภูมิใจละนะเพราะมีรุ่นใหม่ออกมามากกว่านะดีกว่านะี่คือมันได้ ความสุขประเดี๋ยวประดาวเนาะการได้วัตถุสิ่งของเนี่ยนะแต่มันก็มีความทุกข์แฝงมาด้วยเช่นเรามีทรัพย์สินเงินทองมากมีอำนาจนะก็กลัวมันจะหายกลัวคนจะมาขโมยเอาไปเนี่ยในสุขทางโลกนะมันก็มีทุกข์แฝงอยู่ในนั้นนะเหมือนกับขนมหวานนะกินมากๆนะก็เป็นโทษนะมันไม่มีอะไร เรียกว่าดีอย่างเดียวในโลกนี้น ะ, นะไม่มีอะไรดีอย่างเดียวน ะ, นะเราว่ามันมีความสุขที่จริงมันก็แฝงด้วยความทุกข์มือนเรามีลูกนะวันที่มีลูกเกิดมาเนะี่ยเรามีความสุขเนาะส่วนใหญ่พ่อแม่ญาติพี่น้องก็มีความสุขแต่ก็ให้รูไวนะ้เนียคือจะต้องทุกข์ไปอีกหลายสิบปี <c oughs> ในการเลี้ยงดูในการห่วงในการห่วงอะไรต่างๆอีกเยอะนะ ไม่มีอะไรได้มาเป่าเปล่านะมันก็มีทั้งคุณแล้วก็โทษอยู่ในตัวนั่นะนะเรามาเรียนรู้นะแต่ทุกนะที่โพเจ้าท่านสอนนะให้เรากลับมาดูว่าความทุกข์จริงๆมันเกิดอะไรเกิดเพราะอะไรที่จริงความทุกข์มันเกิดเพราะเราหลงนะหลงอะไรนะหลงไปยึดหลงไปอยากนะสิ่งต่างๆ แต่หลงที่สำคัญจริงคือหลงว่าไอ้กายเนี้ยกับใจเนี้ยมันเป็นของเราจริงๆพอเราคิดว่ารู้สึกว่ากายเนี้ยใจเนี้ยเป็นของเราจริงๆเราก็เลยคิดว่าเราต้องสนองความสุขให้กับกายกับใจนี้ให้มากที่สุดหรือเราต้องพยายามดิ้นดนให้กายนี้ใจเนี้ยมันเป็นทุกข์ให้น้อยที่สุดหรือไม่มีทุกข์เลยนะอันนี้คือเป็น เรียกว่าเป็นความหลงที่มันมันใหญ่มากนะทุกคนก็หลงแบบนี้แหละนะหลงมากบ้างน้อยบ้างนะแม้แต่ต้นมาเองก็ยังหลงอยู่นะในบางส่วนนะแต่คือการที่เรามาฝึกหัดปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเพื่อให้เราค่อยๆเห็นว่าร่างกายนี้เราจิตใจนี้มันไม่ใช่ของเรานะดู ดูแบบไหนมันถึงจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยจิตใจเนี่ยไม่ใช่ของเราก็ดูลงที่ปัจจุบันเนี่ยแหละการปฏิบัติธรรมคือเนี่ยคือเรามาดูลงที่ปัจจุบันนะถ้าเราเห็นว่ากายเนี่ยมันเป็นทุกข์นะเช่นเนะี่ยเอ้ยเดี๋ยวมันก็เมื่อยนั่งแล้วว่าสบายแล้วมันก็เมื่อยนอนถึงนอนมากๆเป็นสิบชั่วโมงก็เมื่อยกินว่ามันอร่อยมันมีความสุขกินมากๆ ม, ม, มันก็ทุกข์ อะไรนะนะเราดูสังเกตร่างกายเนะี่ยมันเป็นทุกข์หรือเมื่อวานเราพิจารณาร่างกายนี้เนาะมันก็เป็นมีอวัยวะนะใหญ่น้อยสามสิบสองประการเลยนะอืมเี่มันก็บางทีครูบาอาจารย์ท่าก็พูดเนาะจะไปดูได้เนี่ยหนังหุ้มขี้ทั้งนั้นอืม <c oughs> หนังเราหุ้มอะไร ปอดตับไตไส้พุงเลือดเนื้ออะไรต่างๆเนาะถ้าเราเอาหนังออกนะอามอมันน่าดูหรือเปล่าเนะอันนี้คือเราก็หลงกันตรงนี้แหละนะเราก็หลงในรูปเสียงกิตลดโผฏฐาภธรมาลงนะทำยังไงอะเราถึงจะเห็นความจริงเนาะก็ดูลงไปตรงๆนี่แหละนะนะดูไปเห็นความทุกข์ที่เขาแสดงทุกๆวันนี่แหละนะ การดูทุกการเรียนรู้ทุกเนี่ยไม่ใช่การมองโลกในแง่ในแง่ลบในแง่ร้ายนะบางคนมาคิดว่าเอ๊ะทาไมชีวิตหรือการมองแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยมัเป็นการมองโลกในแง่ลบมองโลกในแง่เป็นความทุกข์แต่จริงพระเจ้าสอนเนี่ยเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงนะไม่ใช่มองโลกในแง่ลบแง่ร้ายเราแก่เจ็บตายเนี่ยจริงปะจริงนะใช่ไหมอ่า เรามีความไม่สบายใจเนี่ยจริงไหมเเป็นจริงเลยนะอยากจะได้ถนะิ้งน้ทิงเนี่ยความจริงเลยนะชีวิตทุกคนเนี่ยเรามาองมองชีวิตจิตใจเราตามความเป็นจริงนะเราจะเห็นเห็นว่าวั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยมีแต่เรื่องทุกขนะ์นะแต่คนเห็นทุกข์นะถ้าเห็นจริงๆนะ่จะไม่ค่อยเป็นทุกข์แต่คนไม่เห็นทุกขนะ์นี่ย จะเป็นทุกข์นะการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติให้เห็นทุกข์นะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นทุกข์นะทุกข์มันจะห่างออกไปนะคล้ายๆเหมือนกับเราอืมไม่รู้ตัวเนาะเอนะเหมือนไม่รู้ตัวว่าเอ้ยเราทําไมมันทุกข์เหลือเกินนะมันหนักเหลือเกินเลยเนะี่ยพอเราเริ่มเห็นนะอ๋อเราเราหนักใจเรื่องนี้นะเราทุกข์ตรงนี้ พอเริ่มเห็นแล้อ้ใจมันคายของมันเองนะเห็นไห ม, มเหมือนคล้ายๆเราอยู่ในห้องนะแล้วมันมันเหม็นอะไรเหม็นอะไรนะก็พยายามหานะพอเห็นแล้วว่าโอ้หนูมันตายอยู่มุมห้องตันเนี้ยเราเอาหนูออกได้เนะี่ยกลิ่นมันก็เริ่มดีขึ้น น, ะนี่ก็เหมือนกันนะทุกที่เรามาศึกษาเนะี่ยพอเราเห็นอ้อเราทุกเพราะเรื่องนี้เรายึดเพราะอย่างนี้นะ เพรเห็นนั้นนะจิตมันจะคลายของมันเองนะมันจะค่อยๆ ค, คลายการภาวนาการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็อย่างว่านะมันมีหลายวิธีเหมือนกับอย่างที่บอกตอนแรกว่าเหมือนเราป่วยนะเช่นเป็นมะเร็งเนี่ยเขามีหมอให้รักษาหลายแนวทางนะเหมือนวัดเราเนี่ยนะทั่วประเทศไทยก็น่าจะสองหมื่นสามหมื่นวัดนะอืมสำนักปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่รู้กี่พันแห่งนะ บางทีก็เลือกไม่ถูกเนาะไปที่ไหนดีนที่ไหนดีกว่าที่ไหนตรงกว่าที่ไหนครูบาอาจารย์เจ๋งกว่าที่ไหนมีพระอรหันต์ที่ไหนนั่นนี่บางทีเราก็จะคิดไปหานะบางทีเราคิดไปหาแต่มาอยากจะแนะนำว่าให้เราดูตัวเองดีกว่าเราไปหาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์ก็ดี เราไปหาสถานที่ที่สงบที่ดีก็ดีนะหรือเราไปหาวิธีการปฏิบัติธรรมรูปแบบไหนก็ดีนะถ้าเราไปหาเพื่อดูว่าเขาดีหรือเปล่าเขาใช่หรือเปล่าเนะี่ยประโยชน์น้อยแต่ถ้าเรามาดูว่าเมื่อเราไปอยู่ที่นั่นที่นี่แล้วจิตใจเราเป็นอย่างไรนะการภาวนามันเป็นอย่างไรนะอ น, นันต์ดีกว่านะเรามาดู ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่เราอยู่นะในขณะที่เราปฏิบททนะัติธรรมน่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นมานะมันมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถูกทั้งนั้นนะอย่าไปคิดว่ามันผิดบางทีเราจะรู้สึกเอ้ยทำไมมันมันคิดแบบนี้มันคิดไม่ดีนะทำไมมันรู้สึกไม่ดีเลยภาวนาแล้วทำไมมันไม่มีความสุขอะ่ะมันมีแต่ความทุกข์ ภาวนาแล้วทม ม, ม, มันวุ่นวายมันไม่สงบเนี่ยที่จริงวุ่นวายมันก็ถูกแล้ววุ่นวายเราก็รู้ยังไงก็แค่รู้ว่ามันวุ่นวายนะไม่สงบก็แค่รู้ว่ามันไม่สงบเนี่ยเป็นทุกข์ก็รู้ว่าเป็นทุกข์เป็นสุขก็ดูว่าเป็นสุขนะหลวงพ่อคําเขียนจะบอกว่าให้เห็น ไม่เข้าไปเป็นนะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในกายในใจเนะ่ะให้เราเห็นนะเห็นมันนะไม่เป็นกับมันนะเพราะถ้าเราไม่เห็นนะ่ะเราจะเราจะไปหลงยึดว่าเราเป็นเราทําไมเราคิดไม่ดีนะ่ะมันมีเราที่คิดไม่ดีแต่ถ้าเราเห็นนะมันจะเห็นว่าเออ มันคิดไม่ดีมันต่างกันนะถ้าเรารู้สึกว่าเราคิดไม่ดีเนะี่ยมันจะมีแบบมันจะรู้สึกว่าเราแย่ไปด้วยหรือบางทีถ้าเราดงไปเลยเราก็ปรุงแต่งยาวไปเลยนะแต่ถ้าเราเห็นเนาะเออความคิดไม่ดีเกิดขึ้นมาเห็นเฉยๆเนะี่ยมันจะรู้สึกว่าไอ้ความคิดมันก็เป็นส่วนหนึ่งไอ้ที่เรารู้สึกว่าเออมัน นะเห็นว่ามันคิดไม่ดีนะ่ะมันก็ส่วนหนึ่งนะหรือเราเห็นร่างกายนะต้องสังเกต ด, ดูนะไอ้ที่หนาวนะ่ยมันใช่เราจริงเปล่าอที่หนาวตอนนี้มันคืออะไรมันคือร่างกายนะแต่อีกสักพักหนึ่งอ่ะไอ้ที่มันหิวคืออะไรมันก็คือร่างกายนะมันไม่เคยบอกว่าเรานะแต่เพราะเราไปคิดว่ามันเป็นเราจริงๆนะ มันก็เลยทุกมากเลยนะเราสังเกตดูถ้าเราเห็นนะเห็นมันเป็นอาการนะอาการที่เกิดขึ้นกับรูปอาการที่เกิดขึ้นกับนามเนะี่ยความทุกข์จะห่างออกไปเยอะเลยนะบางทีมันไม่ใช่ว่ามันจะเรียกว่าไม่ทุกตลอดเวลาหรอกนะแต่มันจะภาวนาไปมันจะเป็นแบบนี้นะถือว่าเราดงไปคิดก็ดี หลงไปสุขไปทุกข์ก็ดีนะมันจะเกิดขึ้นนะตลอดเวลาแหละแต่เมื่อไรที่เรามีสติความทุกข์มันจะมันจะคล้ายๆเป็นหมดไปขณะหนึ่งนะคล้ายๆเหมือนกับหลงไปนะแล้วก็พอมีสติมันก็รู้ตัวมันก็กลับมาเป็นปกตินะคำ ว, ว่าปกติในที่นี้คือจิตใจเนาะกลับมาเป็นปกติ พระพุทธเจท่านบอกว่าจิตใจคนเรานะมันประพัฒสอนมันผ่องใสอยู่แล้วนะประพัฒสอนผ่องใสอยู่แล้วนะแต่เพราะว่าอุ ป, ปกรลสมันจรเข้ามาคล้ายๆถ้าเปรียบเหมือนกับตอนกัมวันนะพระอาทิตยนะ์สว่างขึ้นมามีเมฆมาบางังนยะมันก็เลยไม่เห็นดวงอาทิตย์นะ แสงไม่สว่างเหมือนเวลาที่ท้องฟ้ามันถดใสนะจิตใจของเราก็เหมือนกันนะพระเจ้าเปรียบเหมือนว่าจิตใจของเราเหมือนกับพระอาทิตย์ที่สว่างสวัยอยู่ละแต่กิเลสเขาจอนเข้ามาก็คือกิเลสหลักๆก็คือนี่แหละความโลภความโกรธความหลงเนาะมันจรเข้ามามันก็เลยไม่ปกติเมื่อไรที่เรามีสตินะเช่นเห็นว่าโกรธอยู่นะ ความโกรธจะหายไปนะเห็นว่าอยากนะความอยากก็จะหายไปแต่คำว่าหายนี่ไม่ใช่ว่าโยมจะไม่อยากตลอดชีวิตนะจะไม่โกรธตลอดชีวิตนะมันไม่โกรธมันจะหายโกรธตอนนั้น <c oughs> <c oughs> มันจะหายหลงแค่ตอนนั้นแล้วก็อาจจะกลับมาโกรธใหม่อีกอาจจะกลับมาหลงใหม่อีกกลับมาอยากใหม่อีกไม่เป็นไรนะเวลาเราภาวนา หลายคนจะรู้สึกเฮ้ยทำไมมันคิดเรื่องนี้ซ้ํซ้ำซากๆาคิดบ่อยเหลือเกินแต่สังเกตไหมถ้าเมื่อไรที่เรามีสติเช่นสติรู้กายก็ดีสติรู้ใจก็ดีนะมันจะไม่คิดแล้วช่วงหนึ่งช่วงขณะหนึ่งแต่มันอาจจะกลับมาคิดต่ออีกแต่เราจะรู้สึกลำคานว่าทำไมมันมันคิดซ้าคิดซากคิดบ่อยเหลือเกินการภาวนานมันเปลี่ยนนิดนึงคือ เราไม่ต้องไปคิดไปจัดการให้มันไม่มีนะเราเพียงแค่รู้เมื่อรู้ละมันจะหายไปชั่วขนาดหนึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นมาใหม่เราก็รู้ใหม่รู้ใหม่แล้วมันก็จะจบไปขนาดหนึ่งนะดัง น, นั้นถ้าเราภาวนายอยู่เนี้ยไม่ไม่สงบก็ดีนะความคิดอะไรต่างๆก็ดีกิเลสจรเข้ามาก็ดีนะพอเราแค่ดูแค่เห็นมันอันนี้นก็ทําถูกละนะพระเจ้าบอก เห็นมันนะรู้มันดูมันนะแล้วต่อไปเราจะค่อยๆเข้าใจว่าอมืมันเกิดขึ้นมาอย่างไรนะนะรู้แบบไหนมันถึงจะดับไปรู้แบบไหนมันยังไม่ดับไปนะมันจะค่อยๆวางใจได้เองเนาะภาวนาบางทีนก็เหมือนเราทํางานนะ่นะทุกอย่างหรือเหมือนเราขับรถก็ได้นะ บางทีเราต้องมาเรียนรู้นะอย่างเราขับรถนะขี่จักรยานเนาะตอนเด็กๆขี่เป็นไห ม, ม, มไเวลาผู้ใหญ่สอนเนาะบอกอมไม่ต้องเกรงนะนะไม่ต้องกลัวนะแต่ใหม่ๆก็เกรงกันทั้งนั่นแหละกลัวทั้งนั่นแหละล้มกันทั้งนัานแหละใช่ไห ม, มจะบอกไม่ให้เกรงไม่ให้กลัวไม่ให้ล้มก็ไม่ได้แต่เมื่อเรากล้าขี่นะ ้มบ่อยๆนะแล้วก็รู้ว่าเกรงเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวต่อไปมันจะปรับเองนะจะปรับเองนะถ้าเรากล้าขึ้นนะหลังจักรยานนะก้าปั่นออกออกไปหน่อยนะไม่ใช่ใช้แต่สี่ล้อตลอดเวลานะล้มบ้างนะผิดบ้างนั่นแหละเขาเป็นครูสอนเราภาวนาก็เหมือนกันนะครูที่ดีที่สุดคือความผิดนี่แหละ ถ้าเราไปคิดว่าภาวนาจะเอาแต่ถูกอย่างเดียวนะเอาให้มันดีเลยเนะี่ยจะเครียดมากเลยนะเครียดเพราะอะไรเพราะเราจะไปคอยจ้องมันสังเกตดูนะไม่อยากให้ไม่อยากให้คิดว่าจะเอาแต่ดีอย่างเดียวถูกอย่างเดียวเพราะมันจะเครียดอาตมาเองก็เคยสังเกตนะช่วงไหนส่อยากจะเอาให้มันได้อยากจะรู้ให้มันตลอดเนะี่ยจิตมันจะไปคอยจ้อง เราเดินจงกลมเราก็จะคอยจ้องดูดูดูตัวที่มันเดินแบบไม่ให้กระพริบตาเนาะคำว่าจ้องอะก็เหมือนเราดูอะไรนะเรามันเราไม่กระพริบตาสักพักนะพอเราไม่กระพริบตาสักนาทีหนึ่งสองนาทีนะตามันจะเริ่มเมื่อยใช่ไหมมันเพราะเราจ้องมากเกินไปธรรมชาติตามันต้องกระพริบจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราคอยจะไปจ้องว่าให้มันดูตลอดเช่น ครึ่งชั่วโมงนี้แต่ต้องรู้ตลอดเนี่ยจิตใจมันจะเครียดนะเพราะธรรมชาติของจิตใจนะคือมันมันเป็นตัวรู้อารมณ์เนาะอารมณ์ในที่นี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตาหูจมูกลิ้นกายใจบางทีมันก็ไปเห็นภาพนะบางทีมันก็ได้ยินเสียงบางทีมันก็ได้กลิ่นบางทีมันก็ได้รู้รสอาหาร รู้ลดน้ำลายบางทีมันก็รู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งบางทีเขาก็คิดนึกบุงแต่งนี่คือธรรมชาติของใจน ะ, นะเราเพียงแค่มีสติรู้น ะ, นะ <c oughs> เช่นรู้ว่าอ้าตอนนี้มันเห็นแล้วนะตอนนี้มันได้ยินตอนนี้มันคิดอะไรเนะนี่ยแค่รู้แค่นี้น ะ, นะหรือเรารู้ร่างกายเนี่ยที่ชัดเจนนะอียยบที่สี่นะ ยืนเดินนั่งนอนรู้ให้มันมากที่สุดเท่าที่ได้นะอย่าตอนนี้เรานั่งนะก็แค่รู้นะเราดูว่าร่างกายเขากำลังนั่งนะเคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งก็ได้นะการภาวนาเนะี่ยเราจะดูสิ่งที่มันมีตลอดทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงเนะช่นร่างกายเนะ่ไม่ยืนก็เดินก็นั่ ง, ก, งก็นอนสี่บท หรือการเราจะดูการเคลื่อนไหวแนวจิตติแบบหลงพระเทียนดูดูสองอย่างคือดูเคลื่อนไหวแล้วก็ดูหยุดนิ่งดูร่างกายคือเนี่ยเคลื่อนรู้หยุดรู้เคลื่อนรู้หยุดรู้แต่ไม่ต้องบริกรรมะนะรู้เฉยเฉยแค่รู้สึกอืมรู้สึกรู้สึกนี่คือดูร่างกายที่เคลื่อนดูร่างกายที่หยุด หรือถ้าดูจิตใจก็ดูได้เยอะมากนะดูได้หลายอย่างแต่ดูให้เป็นคู่คู่นะเช่นสุขกับไม่สุขทุกข์ไม่ทุกข์อะไรนะ่นือดูสุขทุกข์เฉยแบบนี้ก็ได้หรือดูอารมณ์นะที่มันเกิดขึ้นคิดไม่คิดคิดไม่คิดรู้หรือหลงอะไรนะันก็ได้นะมันจะมีตลอดเวลาเลยนะในจิตใจของเรานะ แต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเราดูง่ายๆช้ดๆก็คือดูร่างกายเช่นยืนเดินนั่งนอนเนี่ยไม่อีบยบทใดก็อีบทหนึ่งหรือเคลื่อนหรือหยุดเนี่ยอียบใดอีบหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกมีแค่เนี้ยนะหายใจเคลื่อนไหวก็เหมือนกันเคลื่อนกับหยุดมีแค่เนี้ยดูไปเรื่อยๆลืมไปเมื่อกี้ก็ช่างมั น, นเมื่อกี้ยกมือท่า น, นี้ไม่รู้ ก็มาดูท่า น, นี้เลยอะไรแบนนะีไม่ต้องไปกังวลว่า เ, เราหลงไปไม่ดีเลยรู้ใหม่นะรู้ตรงใหม่ที่ปัจจุบันนะรู้ตรงที่ปัจจุบันที่การเคลื่อนข้างใหม่หรือการหยุดข้างใหม่นี่คือถูกแล้วนะไม่ต้องไปแก้สิ่งที่ผิดให้รู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เรากำลังทำตอนนี้ไปเลยนะนี่คือทำแบบนี้นแค่นีน้ถ้าเราทำแบบนี้นะเหมือนชีวิตเราไม่มีอะไรมากมีแต่เฉพาะหน้า แค่รู้ลงเฉพาะหน้าแต่งจมชัดอย่างแจ่มแจ้งพอเราเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆตังกายและจิตใจเนี่ยเขาจะสอนความจริงไปเองนะเหมือนเราเรียนไปเรื่อยๆโยมกว่าเราจะจบปริญญาตีเนาะก็เรียนตั้งแต่อันุบาลนนะ่ะไม่รู้กี่สิบปีนะกว่าจะจบใช่หไหมเราก็ยังเรียนจบการภาวนาก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเราจะจบในชาตินี้หรือเปล่า หรือว่าอีกกี่ปีอีกกี่ชาติเราก็ไม่ดูนะนะแต่ถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้เริ่มภาวนาเนาะได้เริ่มกลับมาศึกษาวิชาที่ามาว่าสำคัญที่สุดในในโลกนี้ในชีวิตนี้นะวิชาทางโลกเราสังเกตไหมบางวิชานะเรียนมาก็ไม่ได้ใช้หรือความรู้หลาละอย่างเราก็รู้มานะก็ไม่ได้เกิดสาระประโยชน์อะไรมากครับ แต่วิชาที่เรามาเรียนนะในวันนี้เนาะมันใช้ได้ในวันนี้แล้วก็ใช้ได้ตลอดชีวิตนะเพราะอะไรมนันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับร่างกายจิตใจนะ่มีชีวิตอยู่เราก็ต้องมีร่างกายจิตใจเนี่ยนะนะเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรให้มันเป็นทุกข์น้อยที่สุดหรือพ้นจากความทุกขนะ์เนี่ยถ้าเรามาเรียนตรงนี้นะนะมันจะเป็นจุดตั้งต้นแล้วก็ เราก็เอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตคือการเรียนรูนะ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในกายในใจนะนะดูไ ป, ไปบ่อยเราจะเห็นความจริงความจริงคืออะไรมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้ต้องดูลงไปในนี้นะไม่ใช่ดูดูแล้วอยากจะให้มันเที่ยงดูแล้วอยากจะให้มันเป็นสุขตลอด ดูแล้วอยากจะบังคับว่าเราจัดการได้บางทีถ้าเราไปบังคับไปจัดการมันจะเกิดเป็นแทนที่จะเป็นการละตัวตนนะกลายเป็นยิ่งตัวตนใหญ่ขึ้นใช่บางทีเราภาวนาไปนั่งปวดเมื่อยนะบางทีจิตยังคิดทำยังไงมนถึงจะไม่ปวดไม่เมื่อยถ้าทำได้เนี่ยจะรู้สึกว่าเราเก่งทำไม่ได้รู้สึกว่าเราแย่ ต, ต, ต, ต, ตัวตนทั้งนั้นแหละตัวตนที่ว่าเราดีตัวตนที่ว่าเราไม่ดีตัวตนทั้งนั้นเลยหรือภาวนาไปแล้วมันสงบโอ้เราดีไว้วันนี้เราเกง่งนะวันนี้ภาวนาแล้วไม่สงบนะมันจะมีสึกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็เกง่งเดี๋ยวก็ไม่เกง่งเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ไม่ได้แต่ถ้าภาวนาเพียงแค่รู้นะรู้อย่างที่มันเป็นน่ะไม่ต้องไปบังคับมันน่ะมันจะเห็นว่าอ้อมันไม่เที่ยงเป็นแบบนี้ มันไม่ใช่ตัวตนเป็นแบบนี้นะบังคับไม่ได้เป็นแบบนี้มันคิดก็คิดของมันเองนะคิดดีก็คิดของมันเองคิดไม่ดีก็คิดของมันเองนะมันสุขก็สุขของมันเองมันทุกข์ก็ทุกข์ของมันเองนะนี่ลองดูดีๆนะร่างกายจิตใจมันเป็นของมันนัะถ้าเราเห็นบ่อยๆเราจะคืนนะคืนคืนเรียกว่าคืนให้ร่างกายมันเป็น ไปตามธรรมชาตินะคืนจิตใจนะ่ะให้เป็นธรรมชาติพระเจ้าท่านเคยสอนพามนะนะเวลาถามพามว่าสมมถ้ามีแขกมาหาที่บ้านนะปกติต้องทำยังไงเนี่ยก็ต้องเอาอาหารเอาน้ำมาต้อนรับขับสู้เนาะนะ่ะตามธรรมเนียมแต่ถ้าแขกคนนั้นนะ่นะ เขาไม่รับประทานอาหารน้ําดื่มที่เธอมาต้อนรับอาหารน้ําดื่มนี้นจะเป็นของใครก็เป็นของเจ้าของบ้านเหมือนเดิมใช่ไมืมอันนี้ก็เหมือนกันนะนะ่มีคนมาว่าเราเราไม่รับเอาคํานั้นมาเป็นตัวตนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเราทุกกันนะใช่ไหม ม, มีความคิดเกิดขึ้นมาเราไม่ไปรับว่าไอ้ความคิดนะั้นมันเป็นเราเนะี่ยมันก็ไม่ทุกกันนะลองดูดีๆนะมันจะเห็น พอมันเห็นละมันจะไม่เป็นนะเห็นบ่อยๆนะการสะสมสติคือการเห็นนะ ส, สติคือการรู้อารมณ์แล้วก็เห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นนะดูไปบ่อยๆนะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะนะอย่าไปเคร่งเครียเดเกินไปใ ห, ให้พยายามภาวนาแบบผ่อนคลายเนาะผ่อนคลายเดินก็ให้เดินผ่อนคลายหน่อยนะนะ บางทีพอเราคิดถึงการเดินโยมก ม, มันจะบางทีมันจะคิดว่าต้องท่านั้นท่านี้นะหรือว่าจิตใจมันจะบางทีมันจะเครียดเกินไปนะให้เรารู้สึกธรมธรมดาเนี่ยแหละนะจิตใจที่ดีที่สุดคือจิตใจธรรมดาร่างกายที่ดีที่สุดคือร่างกายธรรมดานี่แหละรู้ไปตามธรรมดาตามธรรมชาติของมันแะดีที่สุดเลยนะไม่ต้องไปดัดจะดิดให้มัน ขึมๆไม่ต้องไปดัดจิตให้มันนิ่งๆอะไรเนะี่ยไม่ต้องไปดัดจิตให้ร่างกายมันแข็งๆนะมันจะทำไปแล้วมันจะเรียกว่ามันจะเครียดนะเรารู้ไปทำธรรมชาตินะนะพระเจ้าจบอกยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นะคูเหยียดเคลื่อนไหวก็รู้ถ่าบอกแค่นี้นะแต่เราไปคิดมาก ต้องระวังนะคิดมากนะคิดว่าทำแบบไหนดีนะคิดว่าถูกหรือเปล่านะสงสัยนั่นนี่เยอะมากแต่ใหม่ๆก็มีนะจะให้ไม่ไม่สงสัยเลยนะออจะให้แบบถูกหรือเปล่ามันก็ไม่มีหรอกนะแต่เมื่อใดที่เราสงสัย ถ้ากลับมาดูว่าก็ดังสงสัยอยู่นะมันจะจบไม่ต้องเอาคําตอบก็ได้แต่ถ้าสงสัยแล้วคิดเอาแต่คําตอบเนี่ยมันไม่จบนะมันจะหาโอกาสถามครูบาอาจารย์หาโอกาสคิดหาคําตอบอยู่เรื่อยแล้วพอเราไปทําแบบนี้นมันจะดื่มปัจจุบันเข้าใจดืมปัจจุบันว่าเรากำลังเดินอยู่พอเราไปคิดเอ๊ะมันสงสัยจะได้คําตอบแบบเนี้ยมันดื่มตัว คำ ว, ว่าดื่มตัวคือเราดื่มว่าคณะกำลังกินข้าวแล้วก็คิดนั่นคิดนี่เนะี่ยคือดื่มว่ากำลังกินข้าวนะเหมือนเราสวดมนต์สังเกตป่นะนบางทีเราอ่านหนังสือพอเกิดความคิดขึ้นมาเนะี่ยเราจะดื่มดืมบทสวดมนต์เฉพาะหน้าหรือบางคนรวจค้องนะปากไปถูกแต่ใจก็คิดไปอีกเรื่องหนึงนะ่งเนี่ยเราก็ดื่มตัวเหมือนกันนะมันเหมือนคล้ายๆเราเดินนะ คำว่าขาดสติไม่ใช่ว่าเราต้องเดินหกลม้มเดินเตนะหินเตะไม้นะเดินตรงๆเดินดีๆนี่แหละขาดสติได้เหมือนกันนะคำว่าขาดสติคือเดินไปแล้วก็ใจมันลอยนะใจมันไม่อยู่กับการเดินนะไม่ใช่ว่าเราต้องดื่มของแล้วต้องหกลม้มอุบัติเหตุคือคนขาดสติคนธรรมดานี่ก็ขาดสติเยอะกินนะไม่กัดดิ้นกินกืนได้ปกติธรรมดาแหละ แต่ไม่ค่อยรู้ว่านะไม่ค่อยรู้ตัวว่ากำลังกินอยู่สวนมนก็เหมือนกันนะแต่จริงก็ธรรมชาตินะเราจะให้มันมีสติตลอดไม่ได้หรอกแต่มันจะรู้มีสองอย่างโยมคือรู้นะเช่นรู้จริงๆเช่นเดินก็รู้นะนะร่างกายรู้ตามความเป็นจริงเนาะแล้วพอเราดงไปพอเกิดความคิดเกิดความหลงเราก็รู้ว่ามันดงนี่ก็ดูแล้วนะนะ มันจะดู้สองแบบรู้ที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะเรื่องของกายเรื่องของใจก็ดีนะรู้ว่ารู้นี่ก็ดูละรู้ว่าหลงนี่ก็คือรู้ละนะมันรู้ไดนะ้แค่นี้แหละพอแล้วนะเอนะก็ช่อยทําไปเนาะเดี๋ยวก็พระอาจารย์ตรงสิ่งท่า น, นก็คงแนะนําไปเรื่อยๆนะแล้วก็สังเกตตัวเองไปเรื่อยๆด้วยนะนะให้มัน ค่อยๆเกิดความรู้ความเข้าใจในการภาวนาแต่อยากจะฝากว่าอยากให้เราแบบภาวนาเอาแบบตั้งใจนะภาวนาทั้งชีวิตไปเลยนะ <c oughs> มันจะไดะ้รู้สึกว่าอืมมีหลักในการใช้ชีวิตนะปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตนะ่ะมันจะมีหลักแต่ถ้าเราภาวนาตั้งใจเพียงไม่รู้กี่วันนะที่นี่ เ็วันเหมือนนะสมมตินะแต่อีกสามร้อยกว่าวันนะในชีวิตเราไม่ภาวนานะประโยชน์น้อยมากโยมเหมือนได้ไปอะไรนิดหน่อยนะแต่มันก็เหมือนได้ไปเที่ยวนะทเที่ยวต่างประเทศเจ็ดวันนะกลับมาก็มนเครียดเหมือนเดิมนะประโยชน์น้อยมากแต่ถ้าเราภาวนาทั้งชีวิตนะประโยชน์เยอะอวันนี้สมมติเจ็ดวันนี้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นต่อไปก็ไปทาต่อ บางทีก็ไปเข้าใจธรรมะตอนนู่นน่ะตอนเจอปัญหาชีวิตตอนป่วยเป็นมะเร็งก็ได้หรือสุดท้ายภาวนานทั้งชีวิตไม่ได้เลยนะตอนตายเออเห็นความจริงมันวางตอนนั้นก็ได้นะอ่ถ้าเราทำนะแต่ถ้าเราไปรอทำตอนใกล้จะตายเนี่ยบางทีก็แย่ไม่ไหวนะอืมน้าก็ฝากไว้อะกาพะพร้อมกัน อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุททางภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาฆาโตภะคะวตาธโมธัมมังนัมัสสะมิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆ ข้างข้างนะมามี